ฟังไม่ชัดยี่งกว่าเราส่งสิทธิออกไปฟังฟังเทศเพื่อให้เกิดผลในในการฟัจิตเมื่อเราตั้งไว้ยืนแล้วทำกระแสะตา่างๆสัมผัสสัมปันนั่นก็นันก็เหมือนคือรับสัมผัสอีกตลอดเวลาจิตก็มีโอกาสที่คิดไปนั่นนั่นนั่นนั่เป็นการต้งต้องวิธีการของการฟังเทศ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 ให้ให้ผู้ฟังเข้าเข้าใจสา ม, สาสมสาาาท่าศีลนิทราปรารภเป็นประโกชน์ต่ผู้ฟังสี่ไม่เคไม่เคยดังทำก็เห็นแตริ่าห้าอะไรไม่ไม่ไม่เยดังทำงเพื่อยกตนข่มคนอื่นห้าองค์ธําก็ถถกคือนักเทศที่แสดงทำแล้วการทํำทำตัวต้องการทาำก็มีห้าเหมือนกัน หนึ่งผู้ฟังทาได้ฟังสิ่ที่ยงไม่สคยได้ยได้ฟังสองสี่ท่านที่เคยได้ฟังแล้วแต่ยังไมเข้าใจชัดก็จเข้าใจถหมันชัดสามจะมันเทาความสัยได้สี่กความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าสิททุกครังต้องถึงใสผลที่เราได้รับในปัจจุบันคือจรไหนะที่เรายังไม่เคยได้ินได้ฟังแล้วเราก็อ่านได้ยินได้ฟังถ้าผู้ที่รจะยอมได้ยางทามาต่างๆกัน แ้วสิ่งที่เคยยินฟังแล้วก็จะชัดสิ่งที่เด็กคนไหนยังแก้ไม่ได้แก้หิงก็แก้ได้แนวตัมมองเดียวทํามเห็นไตรงได้าี่อันนี้หลักสำคัญคือเวลาเรานําค่อยๆยงในสิ่งที่เราสงสัยอย่างเลยเพราะท่านเพื่อนตั้งถึงจุดนั้นเข้าใจความเห็นของเราก็ตรงไปถ้าสิ่ที่ฟังแล้สงสัยคือไม่สงบถึงไม่สงบมันก็สงสัยนะถ้าไม่สงบมันจะเอาอะไรมาสงสัย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 ท่านทํความผัคเพียรตั้งยื่เป็นคติและอย่างอีอย่างนี้ทั้งองค์ให้ตาแตกงานงาที่เลือก็แตกเพราะได้ตาแตกที่เลือก็แตกทําก็สว่างจ้าขึ้นอตาภายในสว่างจ้าขึ้นท่านจันมั่นสลบชามหงษ์ท่นสลบนี้ป่วย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 มัชชีมาผู้เชี่ยแบบแบบไหนก็นนต้องเอาแบบนั้นมาใช้ทำผู้เจ้าที่บอกมัชชมาที่เหมาะสมกับการค่าที่เล็กไม่ใช่เหมาะสมกับการส่งเสริมที่เล็กให้เราเข้าใจไว้ตรงนี้สำคัญมากมัชชีมาของเราคือมัชชีมาที่เล็กทำอะไรอไรลงไปกลัวแตจะตายควร จ, จะเหน็ดจะเหนื่อยควจะลำบากลำบนวจะเป็นโรคหยุดขาควจะเสียการเสียงานควจะคืกว่า น, นี้วรจะล่าสามัยข้อมื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 เมื่อนับขึ้นใจแล้วมันก็แสนสวสนายไ ม, ม่เวลาหนักควรใจมีพิเดษอย่างยอนั่นที่ควรใจสัตว์โลกท่าให้มาร ก, กจากจิตใจไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ทราบต้นสาเหตุอย่ที่ไหนเกิดน้าตาเล่ตาตลอดเวละก็คือเรื่องพิเดษเไม่อหยุดพอพิเดษได้หมดสิ้นประจักษ์แล้วเ้องความเกิดความตายไม่มีปัญหาว่าเอาปัญหาแต่ไหนเรื่องปัญหาคือเรื่องของพิเดษเท่านั้น มันชิ้นไปได้มันก็หมดปัญหาเพราะฉะนั้นผู้กอ่อควรจริงเรื่องของพิเศษผู้ทําลายคือเรื่องของพิเดษนี่ว่าทําลายสิ่งที่กอ่อควและสิ่งที่ทําลายต น, นอย่านัแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากอบควรทำลายสงบสุข <c oughs> แต่ยังบ้านเมืองไม่มีอะไรมากอบควรทำลายบ้านเมืองนั้นก็สงบสุดถ้ามีสิ่งแคกคือมิ้กก่อควรทำลายอยู่มันก็เกิดลั่นกันไว้อย่างที่บางไทยเร า, าแสดงอยู่เรามีเห็นอยู่อย่างนั้แมันมีอะไรอยู่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 งานที่ไหนโล ก, เ, กเรียงเล็ดน้อยเราก็พอได้สบายใจมากไม่ต้อง้อนทั้งวันทั้งคืนพืองนี้อยู่มันอยู่ที่ใจนะไม่อยู่ที่อื่นทํานี้จะเป็นสอนลงที่ใจเป็นน้ำขังตจนีนเป็นใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นใหญ่เมื่อจใจี้เป็นใหญ่มาก โลกาะแสดงความเดือดร้อนมุน่งา ข, ขึ้นมาขอเข้าใจของผู้กครองโลกโลกจะมีความง่วงร่มเย็นโดยทั่วกันขอเข้าใจที่ของโลกเนี่มีทำมีเหตุมีผลเป็นเ่งปกคล้องทำมีสื่อมีแปรไดาแล้ก็ดีให้มีสื่อมีแปลงด้ไมแย่กิจการเราถ้ามีสื่อมีแปะะรเป็นเครื่องปกคลองแล้านันก็ดีต่อให้เียกมาเปงนสื่อเป็นแปรแล้วกแหลกขึ้นอ่ะเอาละเดี๋ยวนี้เราทไปมากแล้วนี้